อะหังพันเตสารนอสิลังยาจามิดุติยมปีอหังพันเตสรนอสิลังยาจามิตัดยมปีอหังพันเตสรนอสิลังยาจามิ